เทเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนธันวาคมพศสองพันห้ารอสิบณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบูยาเนศสมปันโนทุกท่านที่มาศึกษาโดยมากก็ามาจากทางไกลๆทั้งนั้น ผมแน่ในใจโดยไม่ต้องถามท่านผู้ ม, มาว่ามาเพื่ออะไรเพราะสถานที่อยู่ทางที่มาเนสถาน ที่เป็นจุดของเราที่มุ่งมารู้สึกว่าห่างไกลกันมากถ้าไม่ตั้งใจเสียสละด้วยน้ำใจอันเป็นธรรมอย่างยิ่งแล้วจะไม่มีท่านผู้ใดยอมเสียเวล่ำเวลาและทรัพย์สมบัติ ตลอดถึงชีวิตจิตใจร่างกายทุกส่วนให้เสียไ ป, ปเปล่าๆโดยไร้ความมุ่งหมายหรือเหตุผลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นที่แน่ใจว่า ต่างท่านต่างมุ่งต่อธรรมะแม้ธรรมะจะมีอยู่ทั่วไปก็ตามแต่ความรู้สึกของเราคงไม่มีกิ่แตบกัน จะมุ่งหาสถานที่หนังที่นีหรือครูอาจารย์องนั้นองนั้นเช่นเดียวกับยาซึ่งมีอยู่ทั่วไปแต่เราก็อดที่จะไปหามหมอไม่ได้ีมีมลักษณะเช่นเดียวกัน การก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่ามันเป็นที่แร้นแค้นกันดาไม่มีความหมายอันใด ห, หรือในทางโลกแต่ก็ยังปากริ้วสาวพยายามมาด้วยความเสียสละทุกจินทุกอย่างรีกว่ายอมพลีชี นี่จึงชื่อว่าเป็นป ม, มาเพื่อเพื่อทำมาเพื่อการศึกษาแน่นบป้อมเองที่สมมุติว่าเป็นหัวหน้าของหมู่คณะแนจะมีความรู้น้อยไม่สามารถจรัดการในทำแนยตต่างๆที่จะนำมาแนะนำสั่งสอนอเพื่อนขอถือเอาความเห็นใจกัน สำหร the ับท่านผู้มุ่งมานี่เป็นส่วนกห่พยายามสอนขวายตามสติกำลังความสามารถแนะนำสั่งสอนเท่าที่มีการที่ไปสอบแสวงหาธรรมะจากครูอาจารย์นั้นๆก็เท่ากับว่าคนไข้ ไปหาหมอก็เพื่อการรักษาโรคเนื่องจากตนเองไม่สามารถจะรักษาตนเองให้หายได้หากมีความสามารถโดยลำพังตนเองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมอให้ลำบากและเสียงเงินทองเปล่าเที่คนไข้ จำเป็นต้องไปหาหมอไม่ว่าสถานที่ใดหรือหมอจะอยู่ในที่ใดๆก็าตามคนไข้จะเป็นคนไข้ประเภทใดยม่มมีความเชื่อและมั่นใจว่าหมอเป็นผู้สำคัญสามารถที่จะแก้ไขความขัดข้องอันเกิดจากโรคของตนได้ นี่แน่ว่าผมเองจะมีความสามารถในการแนะนำคำสอนถอดถอนจิริตัญหาอาสวะออกจากจิตใจของท่านทั้งหลายได้ก็ตา่างแต่ความมุ่งมั่นหรือเชื่อถือของบรรดาท่านผู้มาอาจจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคนใข่ไปหาหมอเช่นนั้นนี่เป็นประโยคแรก เที่ยวตั้งหลายแม้จะต่างท่านต่างอยู่แจะฐานที่ไก่แสนไก่ก็ตามแต่ก็ได้มารวมกันอยู่ในสถานที่คงเป็นเพราะความรู้สึกของพวกเรามุ่งในจุดเดียวกันะนั้นความรู้สึกหรือความมุ่งหมายเช่นนี้โปรดพยายาม บำรุงให้มีกำลังมากขึ้นจะชื่อว่าการสร้างธรรมการสร้างธรรมก็คือสร้างความรู้ความเห็นสร้างความประพฤติความคิดเห็นอันดีงามของตนให้ตรงต่อหลักธรรมคำส อ, สอนของพระพุทธเจ้าส่วนใดที่เราไม่สามารถเดย กาเรเรียนหรือไม่สามารถจะคิดอ่านโดยลำพังตนเองได้ไม่สมกับว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปก็ตามตรวได้สังเกตฟังดูจากหมู่คณะและครูอาจารย์ ที่นี้นำสั่งสอนคำว่าจากหมู่คณะออกมาทิ้งว่าสิ่งใดที่เรายังไม่เข้าใจแต่หมู่เพื่อนพอเข้าใจและพอจะถือเป็นตัวอย่างได้จากอากัปปิริยาที่แสดงออกนี่เรียกว่าถือเอาคติตัวอย่างจากหมู่เพื่อนซึ่งอยู่ด้วยกันได้ การพยายามยึดถือหรือสำเนียกศึกษาจากที่ต่างๆดังที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเป็นการสร้างทรรมขึ้นภายในจิตใจหรือทนุการุงทรรมที่มีอยู่แล้วภายในตน ให้เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำนับความคิดความเห็นความประพฤติของเราในส่วนใดที่อาจเป็นหรือเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อหลักธรรมมีไหน ที่ท่านพาดำเนินออปโรดได้พยายามแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นไปในรูปรอยเดียวกันอย่าให้เป็นการขัดแจ้งในวงของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันจะเป็นที่ไม่สะดวกสบายสำหรับเราเองด้วยมูเพื่อนด้วย ทำไม่สะดวกไม่สบายเพราะการขัดแย้งนั้นไม่ใช่ทางแห่งความเป็นธรรมอันจะนำมาขื้นสันติสุขในระหว่างแห่งกันและกันนอกจากนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ระแค่ราคาต่อตนเองและหมู่เพื่อน ทำให้เกิดความสนิทใจต่อกันไม่นานโดยปฏิปทาไม่ค่อยใจลงรงลอยกันทั้งๆที่ต่างพันก็ต่างตั้งใจมาฝึกหัดดัดแปลงตนเองการฝึกหัดดัดแปลงก็คือฝึกสิ่งที่ตนยังไม่ยังไม่รู้หรือสิ่งที่ตนเคยทำมาแต่ไม่สนิทธรรมะ ห, หรือไม่ถูกกับธรรมยินยพยายามฝึกดัดแปลงไปทีละเล็กละ น, น้อยจนสามารถเข้าร่องรอยกันได้ในส่วนหย่อยานคือความประพฤติ ท, ทางกายวยาจาและสามารถเข้ากันได้อย่างชนิดนี่สมชื่อสมนามว่าเป็นผู้ตั้งใจมาศึกษาอบรมและดัดแปลงตนเองจริงๆแต่ถ้าเป็นความถือรัน้น เข้าใจว่าตนได้เคยทํามาอย่างนี้และทําอย่างนี้ไม่เห็นผิดอะไรโดยเป็นทิฏฐิอันหนึ่งขวางขึ้นมาเช่นนี้แม้จะไม่แสดงออกในทางอากาศปิยาอย่างใดก็ตามแต่อาศัยทิฏฐินี้เป็นเครื่องเสริมกิจการที่ทําอยู่นั้นเป็นลำดับต่ำลดับไปโดยไม่ยอมแก้ไขเช่นนี้ที่ว่า เป็นผู้ขัดข้องต่อตอนเองและองค์คณะด้วยและไม่จัดว่าเป็นผู้มาดัดแปลงตนเองเพื่อให้เข้าร่องรอยธรรมะและห่คณะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันด้วยนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมผู้ปกครองอ่ะพูดถึงอายุ เรียกว่าเหมือนกับลูกของบางท่านก็ได้หลานของบางคนก็ถูกเป็นเหมือนกับเพื่อนเพื่อนของบรรดาท่านทั้งหลายก็ไม่มีอะไรผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราต่างเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นที่มาบวชและมาปฏิบัติทั้งมาอยู่ร่วมกันนี้ซึ่งควรจะเข้าใจได้ ในแง่ธรรมต่างๆและเข้าใจได้ในการประพฤติปฏิบัติของหมู่คณะซึ่งเราก็มองเห็นอยู่ด้วยตาและได้คิดอยู่ด้วยใจหากจะเป็นผู้สนใจเพื่อการแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ขัดข้องของตนถ้าไม่ปล่อยให้เป็นลูกเรือรังสำหรับขวางหมู่วางคณะแล้วผมผู้นำหมู่คณะปฏิบัติ ก็จะได้ปรากฏว่าการแสดงธรรมให้หมูคณะฟังนั้นเป็นธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้หมูเพื่อนได้รับความลำบากและเป็นธรรมขวางโลกต่อหมูคณะก็จะเป็นที่พอใจในการที่จะพยายามสอบแสวงหาธรรมะ ม, มาสอนหมูเพื่อนเต็มกําลังความสามารถ งตนต่อไปเรื่องปฏิปทาของหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติคือพระกรรมฐานด้วยแหลวเป็นสิ่งจำเป็นมากในความกลมกรีแห่งปฏิปทา มีแยกมีแยกกันไปเล็กเล็เน้อยก็เป็นที่ไม่สมารเราเป็นผู้พอดีกับวิสัยที่จะฝึกตนทุกด้านในหน้าที่ของความเป็นนักบวชหรือหน้าที่ของเราผู้เป็นนักบวชไม่มีสิ่งใดที่จะสุดวิสัยหรือเหลือวิสัยของเราไปได้ในบรรดา ข้อปฏิบัติที่มู่เพื่อนพาทำรรอยู่นอกจากสิ่งที่กําลังบังชามไม่สามารถนั่นยกไว้ตามท่าตามขันเห็นใจเส ม, มอไปไม่เพียงแต่รายใด ๆ, ๆจะมีจำนวนเท่ารายๆท่าขันที่เป็นเช่นนั้นก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ไม่มีความหนักแน่น หรือไม่จำเป็นเช่นนั้นแต่กลับเห็นเป็นความจำเป็นสำหรับตนจะสั่งสมขึ้นให้เป็นการตะกิดับขวางหมู่เพื่อนนี้อันนี้ไม่สมควรอย่างนี้แล้วจะเป็นหลายแง่หลายแขนงผู้นี้ก้าวเข้ามาได้แขนงนี้เข้ามาขวางหมู่เพื่อนอ้าผู้นั้นก้าวเข้ามาได้สองแขนง เป็นขวางสองแขนงแล้วผู้นั้นก้าวเข้ามาได้สามแขนงหลายหลายเท่าไรที่ก้าวเข้ามาล้วนแต่เป็นแต่ละแขนงสองแขนงทั้งหมดมันก็ขวางกันไปทั้งวัดผู้สั่งสอนก็ไม่ทราบว่าพระยังธรรมะลงที่จุดไหนเพราะมีแต่ฝวากแต่นามมีแต่ทิฏฐิมานะไม่ยอมฟังเสียงกันถือว่าตัวรู้ตัวฉลาดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นการมาสั่งสมหรือปูก ธรรมะขึ้นภาในใจแต่จะเป็นการมาสั่งสมทิฏฐิมานะปลูกความรู้ความฉลาดขึ้นโดยทางที่ไม่ชอบทำเรื่องก็ขวางเรื่องก็ไปใหญ่มีโตรดพากันพิจิตรณาใครดีสำหรับเราผู้เป็นพ่อคนแม่คนด้วยกันไม่ใช่เป็นเด็กๆเล็กๆพอที่จะต้องพูดกันซ้ำๆซักๆ การตำหนิตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมการสังเกตสอดรู้ตัวเองดีกว่าเรื่องไปสังเกตสอดรู้คนอื่นดีกว่าไปตำหนิคนอื่น วัดก็มีหลายวัดครูอาจารย์ก็มีหลายท่านหลายองค์ซึ่งพอที่เราจะหาเลือกได้ตามความชอบใจของเราเราหาได้ทั้งนั้นแต่เหตุใดเราจรึงก้าวเข้ามาสู่สถานและภาวะเช่นนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรมีเป็นเรื่องที่เราจะควรพิจารณาเพราะไม่มีใครบังคับหรือเชื้อเชิญเรามา เป็นน้ำใจที่เบื้อสุดของเราจริงๆการมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองด้วยเกียตนาที่มุ่งมาดังกล่าวนี้เหตุใดจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะไม่สามารถเราก็ควรหนีไปเสียอย่างสบายเหมือนอย่างที่เรามาจะไม่เป็นการตะกฤิจะขวงหมู่เพื่อนไปนานและเป็นก้างขวางคอไปนานถ้าเราเป็นนักบวช มุ่งต่อตอา ต, อ, ตอทำจริงเริะเราต้องสามารถเพียงการแก้ไขตนเองในสิ่งเล็กเล็กน้อยน้อยไมเป็นเรื่องเลื่อรละดูภายในตนเองและจ่กิดะขวางไปถึงหมู่พุวันนี้พยายามฝึกได้เท่านี้ในอุบายวิธีของตน เทียวกับข้อวัดปฏิบัติภายนอกวันนี้ฝึกได้เท่านี้ด้วยอุบายวิธีของตนเยี่ยวกับทางด้านจิตใจอันเป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะเราต้องทำความสันเกียดหรือพยายามดัดแปลงตนอย่างนั้นจะชื่อว่าเป็นการมาสร้างธรรมสังสมธรรมบำรุงธรรม สถานที่นี้พูดถึงเรื่องความลำบากลาบากอาหารการกบการฉันกอทต่งที่ทานตั้งหลายเดิมาเห็นแล้วเพราะเราต่างก็เป็นพระซึ่งอาศัยชาวบ้านเป็นือเกิดมีอะไรขึ้นมาก็ตามเกิดตามมี มีเดือดร้อนวุญไวายบินเหว่มคว้าควายสิ่งใดที่เห็นว่าไม่ขัดข้องต่อหลักของระธรรมนัยนัยแล้วบริโภคชายซอยไปในขอบเขตของสมณะมีก็ชายไปขันไปดื่มไปไม่มีก็ไม่ตัง บ, บไม่เดือดร้อนวุ่นวายเรื่องข้อวัดปฏิบัต เป็นสิจํากัดอยู่ภายในตัวของแต่ละท่านตอนเช้ามีหน้าที่อย่างไรการลงสารลาลงประมาณเท่าไรพอดีกับเวลาเวลาและหน้าที่การงานที่จะต้องจัดต้องทำก่อนบินถมะต่างท่านก็คิดเอาเองในเมื่อในมาอยู่เป็นเวลาหลายวันแล้ว ควรจะทราบไปิ่านเวลาตามทำขอวัดปฏิบัติประเภทใดบ้างซึ่งสมควรแก่พามะของตนจะทำาั่นไม่นิ่งนอนใจปิยาที่แสดงออกทางกายและคำพูดที่แสดงออกทางมาจาาตลอดถึงจิตที่คิดออกมาควรไตร่ตรองเสมอ ก่อนที่จะให้ใเพื่อนคาดออกมาหรือย้ายออกตัวออกมาจากตัวข้องเราควรจะรับการไก่กลองให้ดีแสดงออกไปแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนยิ่เป็นกังวลพูดออกไปแล้วเป็นอัดเป็นทาําไม่ขัดข้องตนเองและผู้ฝ่งตัวทั่วไป คิดออกไปแล้วตนเย็นใจไม่เกิดความเดือดร้อนคู้เป็นการรังแกตัวเองดยไม่รู้สึกตัวนี่นักปฏิบัติธรรมะต้องคิดอ่านใจตรงอย่างนี้เรื่องของทิฏฐิมานะนักบวชคือนักธรรมะรืนๆนไม่ยอมให้เข้ามาแสง หรือนำออกมาใช้ในวงหน้าที่การงานและหมู่คณะนอกจากจะนำธรรมะรุ่นรวนเท่านั้นออกมาใช้และปฏิบัติตนต่อหลักธรรมะอยู่ตลอดเวลานี่คือว่าเป็นการดำเนินเพื่อความราบรื่นสำหรับตนและเอวนรวม การเด็ดเดี่ยวอาหารต่อตนเองคือต่อการฝึกฝนอบรมตนเองนี้เป็นทางที่ชอบยิงการทรมาณหรือขู่เข็นตนเองนี้เป็นการชอบยิงกว่าที่เราจะทำครั้งหนอกหรือทำต่อคนภายหนอก แม้การแสดงทรมาเองที่ผมได้เคยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมาหนักบ้างเบาบ้างบางทีก็เป็นลนักษณะเหมือนกับดุด่าว่ากล่าวมันแต่ถึงอย่างนั้นในความรู้สึกของผมเองที่ได้นำออกแสดงต่อหมู่เพื่อนในบางคราวถ้าคิดดูแล้วก็แต่ขนาด40เเท่านั้น แต่กิริยาประเภทนั้นซึ่งนำออกเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองนั้นมีเรื่องหรือมีน้ำหนักหรือมีความรุนแรงมีความโหดร้ายหรือมีความเด็ดขีดเส้นเป็นเส้นตายให้กับตัวเองน้นมากยิ่งกว่าที่สอนหมูเือนไป 60% ิป และว่าอย่างไรแล้วโดยที่ตนได้ไตรตรองแล้วว่าถูกตามหลักธรรมไม่มีผิดแล้วตัดสินใจลงไปต้องอย่างนี้นะแล้วก็ทำอย่างนะั้นจริงๆด้วยไม่ยอมให้เคลื่อนขาดออกไปจะตายก็ยอมพรีที่เพื่อบูชาพระพุทธศาสนานี่เป็นวิธีการที่ตนได้เคยดัดแปลงตนเองมา จะเรียกว่าเป็นการโหดร้ายทารุณก็เรียกไม่ได้เพราะเราฝึกอบรมเราเด็ดเดียวทรหดอดทนต่อเราเพื่อความดีหรือเช่นว่าขีดเส้นตายให้อย่างนี้ก็ขีดเส้นตายให้อยู่เพื่อธรรมะไม่ใช่อยู่เพื่อความขีดหาย จะดูดาว่ากล่าวตนโดยทางความคิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการประหัตประหารความชั่วความรู้ความเห็นของตนที่ไม่ถูกทางให้หมดสิ้นไปเป็นลำหนักลำหนักด้วยวิธีที่เด็ดเดี่ยวหรือวิธีที่เฉียบขาด ต่อตนเองในเวลานั้นส้าุูความลงแล้วว่าเมื่อได้คิดอย่างไรลงไปเพื่อตนเองอย่างที่มุ่งจริงๆแล้วจะต้องให้ทำอย่างนั้นไม่ยอมให้เคลื่อนขลาดไป ถ้าจะเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างเราชี้ให้เด็กทำอย่างนี้โดยที่เด็กคนนั้นเป็นคนที่หลบปีกปีกนานไว้ดีประถูกเพื่อทรมานเด็กคนนั้นแกต้องทำอย่างนี้นะแกจะทำให้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ ท่านจะลงไม่เรยวกับแก่เท่านั้นถีเท่านี้ถี่นี่เป็นวิธีที่เราดัดสันดานของเด็กเกเลหรือเด็กไว้ดีเกินตัวให้เขารู้โทษของเขาเสียบ้างวิธีการที่เรานำมาใช้สำหรับตัวของเรานั้น ย่อมเป็นในลักษณะเดียวกันหรือรายยิ่งกว่านั้นในการที่เราจะทำแต่ก็ไม่ได้มุ่งเข้าความชิบหายแก่ตนเองเช่นเดียวกับเราไม่ได้มุ่งความชิบหายต่อเด็กมีการนำมาสอนหมู่เพื่อนถึงจะมีหนักบ้างเบาบ้างก่นตาม เมื่อคิดแล้วเพียงสี่สิบเปอร์เซ็ถึงมูเพื่อนจะไม่ทำก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะไปลงธนกรรมหรือทำโทษแก่เพื่อนไม่เหมือนอย่างตัวของเราทำต่อตัวของเราเองการทำต่อตัวนี้ทำอย่างนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่น เราจะเดินจงกรมเท่านั้นชั่วโมงจะต้องให้ได้เท่านั้นชั่วโมงเป็นอย่าง น, อน้อยเาขายับเข้ามาอีกในระยะที่เดินจงกรมนี้กี่ตลบของการเดินจงกรมที่กลับไปกลับมาเราจะกำหนดไว้ประมาณทักกี่ตลบที่ให้ความรู้สึกของเราติดต่อไม่ให้มีเคลื่อนคลาดเลย อา้ากําหนดในเหตุที่เรากําหนดนี้จิตั้งเราจะเคลื่อนค้าจากความมุ่งหมายของเราไปสัตย์สีมากน้อยเคลื่อนค้าไปเท่าไรไม่ยอมต้องนับใหม่ทั้งนั้นสมมุติว่าเราเดินได้ห้าตลบหรือห้ารอบพอถึงรอบที่สี่นั้นจิตได้เคลื่อนไปจากที่เราตั้งไม่เสีย ตั้งใหม่ลบล้างทิ้งหมดโดยไม่ยอมรับคะแนนให้เลยทีนี้จะเลยไปสักกี่ชั่วโมงไม่เอาไม่กำหนดกันเท่านั้นนี่ถ้าเราจะกำหนด 9, เก้าเราจะกาหนดรอบข้องเราจะให้เป็นอย่างนี้ไปเป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงอย่างนี้ก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นนี่จะเรียกว่าโหดร้ายทารุณหรือไหมเราทำกับเราอย่างนี้ แล้วเราลองไปทำกับคนอื่นอย่างนี้ใครจะเห็นว่าอย่างไรเป็นสิ่งที่ดูไม่ได้เลยนะแต่ทำกับเราเองนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับภามะของเราซึ่งกำลังเป็นอยู่ในระยะเช่นนั้นนั่งสมาธิจะนั่งเท่านั้นชั่วโมงในขณะที่นั่งเท่านั้น เราจะปฏิบัติต่อจิตของเราอย่างไรบ้างเอามีกฎเกณฑ์กันอีกครั้งแล้วมีเวลาเวลาเป็นขอบเขตอยู่ชั้นหนอ่อยมีการฝึกหรือสิตขีดเส้นตายให้ตนอยู่ในวงภายใน น, นี่เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติแล้วแต่ความแยบคายของผู้ใดจะทำไป อาจจะทำอย่างนี้มีจำนวนไม่ น, อน้อยแต่สาหรับผมเองแล้วเคยทำมาอย่างนี้แต่ว่าโหดร้ายหรือทารุณอย่างไรก็แล้วแต่เพื่อนที่ใจนะผลที่ปรากฏขึ้นมาโดยมากก็ปรากฏขึ้นมาเพราะวิธีการอย่างนี้ท่างนั้นจนถึงขั้นที่ควรจะเป็นที่เบาใจเชื่อถือในหน้าที่การ ง, งาน สติปัญญาของตนเป็นลำดับลำดับแรกไอเรื่องการบังคับบัญช า, าเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปเช่นเดียวกับเด็กที่กลายเป็นเด็กดีเป็นที่ไว้ใจของผู้ปกครองแล้วพ่อแม่ก็ลดการฝึกทรมานหรือครูทางโรงเรียนก็เช่นเดียวกันก็ลดการฝึกทรมานเด็กตรงมี้หน้ำซ้ำยังชมเชยเด็กคนนั้นว่าดีเสียอีกมีการฝึกตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงเ ว, เวลา ที่ควรจะดัดให้เต็มที่มันต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามยาถากรรมเรื่อยๆไปเมื่อเวลาที่จะลดหยอ่อนผ่อนผันก็มีในการที่จิตของเราได้รู้เรื่องรู้ราวพอปฏิบัติต่อตอนเองได้และทรงตัวได้โดยไม่ต้องอาศัยการขู่เข็นบังคับเท่าไหร่นะักจิจก็รู้นาะทีการงานของตอนเอง ดังนั้นก็เป็นที่เบาใจการฝึกปรมานแบบนั้นก็ค่อยผ่านไปผ่านไปจากนั้นถึงธรรมะขั้นสูงเป็นลำดับลำดับขึ้นไปแล้วเรื่องการจะบังคับบัญชาจิตใจอย่างที่เป็นมนันไม่มี นอกจากจ ะ, ะยับยั่งจิตเอาไว้เท่านั้นว่ามีความเพียนกล้าเกินไปต้องกำหนดเวลาให้บังว่าควรจะพักเวลาไหนโดยทางสมาธิจะออกค้นคว้าพิจารณาให้เป็นหน้าที่การ ง, งานของจิตนานประมาณสักเท่าไหร่ถือเอาความรู้สึกของจิตเป็นประมาณถ้าจิตมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย เพราะทำงานมากได้ะจากการคิดการค้นคว้า ม, มากเราต้องพักผ่อนให้จิตโดยทางสมาธิคือพักสงบหยุดหน้าที่การงานในการคิดการตรงทั้งหมดสงบใจของตังเองอยู่ในความรู้เป็นอันเดียวปรากฏแต่ความรู้และความสมัรต่อยวางหน้าที่การงานคือการคิดการค้นคว้าทุกด้านไปเสียหมดไม่มีจิตได้เหลือเหลือแต่ความสงบและเย็นใจอยู่ภายในตัวเองเท่านั้น นี่คือว่าเป็นการพักจิพอถอนออกมาก็เรื่องของจิตที่จะทำงานตามหน้าที่ของตนซึ่งเป็นความเคยชินมาแล้วนั้นจะไม่มีทางบังคับกันนอกจากจะรยับยั้งเอาไว้ผมรู้นาทีการงานไปเป็นลำดแบบัแบลนดับที่ต้องจัดต้องทามีความดุดื่มต่อการคิดการพิจารณาการปลดเคลื่องกิเลสอาสะวะเท่าเห้นผลเป็นประจักษ์ประจัจกษ์อุบายปัญญาที่จิตคน อิจเมื่อถึงขั้นที่ว่านี้แล้วไม่มีการทร ม, มานกันมีแต่คอยจะสั ง, สงเกตาจิตนี้ไปลึกตื้นหยาบละเอียดพิษถูกแค่ไหนคอยสังเกตไปนักเห็นการอันควรซึ่งควรจะพักแต่ก็พัก ร่างจิตเข้ามาแม้จิตจะพักโควรกับหน้าที่การงานคือการค้นคว้าอยู่ก็าตามเมื่อถึงการที่ควรจะพักแล้วก็ต้องร่างจิตเข้ามาให้พักจนพอสมควรแล้วปล่อยจิตออกไปทําหน้าที่การงานตามเดิมจิตที่ทําหน้าที่การงานโดยทางปัญญานั้นคือเป็นการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังอยู่ภายในจิตของตนเป็นลําดับลำดับลำดั บ, ดบการพักจิตนั้น เป็นเรื่องที่จะพักให้ผิดมีกําลังเช่นเดียวกับเราทําการงานด้วยร่างกําลังร่างกายของเราเมื่อเหน็ดเหนื่อยแล้วต้องเข้าพักในร่ ม, มเงาหรือที่ไหนก็แล้วแต่รับทานอาหารพักนอนในธาตุขันได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ทําหน้าที่การงานต่อไปอีกนี่การทํางานกับการพักย่อมเป็นคู่เคียงกันสําหรับธาตุขัน เรื่องของจิตใจก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันนี่มีเรียกว่าปฏิบัติด้วยความสม่ำเสมอและด้วยความรู้เรื่องภาวะของจิตตนเองการปฏิบัติก็ไม่ขัดข้องยอมเป็นไปด้วยความราบรื่น <c oughs> จนสา ม, มารถถอดถอนกิเลสอาสวะออกได้ทั้งหมดภาณในจิตใจไม่มีกิเลสแม้ส่วนใดที่เหลืออยู่ โดยที่สุดประมัณคือความละเอียดยิ่งไม่มีนั่นเรียกว่าหมดทั้งการร่างจิตหมดทั้งการทรมานจิตดูเป็นเอกสิทธิ์โดยลำพังตนเองซึ่งมีธรรมคือความพอดีโดยหลักธรรมชาติเป็นเพื่อนค้่ครองดูที่ไหนก็สามาย ถ, ถ้าหมด เหตุหมดปัจจัยภายในจิตแล้วเหตุก็คือสิ่งที่จะเสริมจิตให้กำเริบคือสิ่งที่ผิดเหตุให้เกิดทุกขึ้นมานั่นแหละท่ามาเหตุปัจจัยก็เหมือนกิ่งที่เป็นของแสลงคอยมหนูนกันเข้า ในกำเริบเพราะแผลมีอยู่แล้วแล้วถูกไม้ตําเข้าไปอีกนะตามปกติจิตของเรามันมันมีกิเลส อ, อยู่แล้วแล้วอาศัยสิ่งที่มาสมัมผัสหรืออาศัยความคิดตุงขึ้นมาอีกมันก็เป็นเหมือนกับเอาไม้เข้าไปทิ้มแทงบาดแผลก็กําเริบขึ้นใหญ่างถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยดังที่ว่า น, นี่แล้วไม่มีสิ่งใดจะ ก, กําเริบเพราะไม่มีแผลอยู่ภายในใจ ใจนั้นได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วในหลักธรรมชาติของตนนั่นจะเรียกว่ากิดเดิมหรือกิตแท้ก็ได้ไม่ขัดแย้งกับใครนั่นละหมดการทรมานตนเองอยู่ที่ไหนก็สบายา ถ, ถ้าฝึกทรมานตนให้ถึงที่แล้ว จะไม่มีสิ่งใดมาเป็นฆาสึิต่อตนเองไม่ว่าขัางนอกไม่ว่าขัางในเป็นความสงบรับขาดอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเองผล ท, ที่กล่าวทธ่อธิบายให้ฟังอยู่ในธรรมะนี้โดยมากจะต้องเกิดขึ้นมาจากวิธีการของผู้บําเพ็ญตนโดยวิธีต่างๆหนักบ้างเมาบ้างขูเข็นบ้างตอบด้ว ดังนี้หากจะปล่อยให้เลยตามเลยริบเป็นตามยะถากรรมแล้วทายทิ้งเปล่าๆจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเองเครื่องตอบแทนน่ขอให้ทุกท่านหนึ่งชนิดพิจารณาไว้เพื่อเป็นหลักกใจเพราะเราก่อนต่างท่านต่างขอวิชาพยายามมาเต็มสติกำลังความสามาั่งจะเป็นตายที่ไหนก็ยอมคีไว้สนับบูชา เขาพูดทิศทางซาน่านเชืคค่อฟังก่อนเห็นเราสมควรขอรู้อปีกเกี่ยนตรงนี้น